m mm -hmm.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 พอเอคิดเช่นนี้ว่าโอ้ถ้าเกิดตายตรงนั้นเนี่ยนะไอ้เมียรเรานี่กว่าจะได้รับมรดกได้รับเงินประกันชีวิตนี่ก็ต้องสี่ปีกว่าจะถึงตอนนั้นในเมียคงจะลำบากมากลูกด้วยก็เลยตัดสินใจว่าตายตรงนั้นไม่ได้นะบังเอิญมองไปข้างหน้าก็เห็นก้อนหินก้อนใหญ่อ ย, อยู่ประมาณรอยเมตร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 ก็สามารถจะทำลายผู้คนสิ่งของหรือสร้างความชีบหายได้มากมายแต่ในระเด็กการพลังบวกเนี่ยถ้าปลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถจะทำสิ่งที่คาดไม่ถึงได้อย่างกรณีเนี่ยนะพลังบวกมันปลุกขึ้นมาทำให้เขาเนี่ยมีเรื่อมีแรงในการคิดถึงคนอื่นนะก็ไม่จำเป็นต้องนึกถึงคนที่ใกล้ชิดเราก็ได้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 ไม่รู้เน้รู้ตัวไม่รู้เน้รู้ตัวนี่พูดแบบแบบทั่วๆไปนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถือแม้โคม่าเนี่ยแต่เจ้าตัวเนี่ยยังสามารถจะรับรู้อะไรได้อย่างผู้ชายคนนี้เนี่ยนะตอนที่โคม่าเนี่ยมันมีช่วงที่เขารู้สึกจะไม่ไหวเนี่ยอยู่หลายครั้ง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 งานเธอก็ขยายกว้างขึ้นนะจนงเท่าการเป็นงานพัฒนาชุมชนการส่งเสริมการศึกษาเธอได้รับเชิญเป็นวิทยากรในที่ต่างๆออกรายการโทรทัศน์ก็หลายรายการผ่านไปยี่สิปีเนี่ยนะเธอก็ยังมีชีวิตยอยู่โดยที่ไม่ได้กินยาต้านเชื้อด้วยนะก็มีคนถามเธอว่าเนี่ยพี่ทำงานเยอะๆแบบนี้พี่ไม่กลัวป่วยเอที่จริง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 ดีขึ้นไอ้เชื้อเนี่ยมันก็เลยไม่ลุกลามนะเมื่อพมงคุ้มกันดีเนี่ยมันก็สามารถจะคุมเชื้อเอาไว้ได้และพมงคุ้มกันดีก็เพราะใจที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขสุขเพราะอะไรสุขเพราะมีเมตตากรุณานะช่วยผู้อื่นให้มีความสุขเราก็ปล่อยมีความสุขไปด้วยนะผู้จัดตอบว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขงั้ถ้าเธอคิดถึงตัวเองนะ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 พากจากบ้านแร้งสูญเสีสรภา พ, พอีกเพราะพออยู่ในบ้านพักคนชลาก็ไม่สามารถทาอะไรตามใจได้ทุกอย่างก็ต้องใช้ชีดตามตามรูทีหรือตามกิ จ, จวัตรของบ้านพักถึงแม้บ้านคนชลานี้เขจะดูแลใจใสดีอาหารดียาดีแต่คนไข้นิงหงอยลงไปเรื่อยแล้วก็ไม่กินอาหารไม่ดูแลเนื้อตัวจนทั่งเจ้าที่บอกว่าเนี่ยคงไม่รอด คงไม่รอดแล้วจู่ๆวันนึงเนี่ยบ้านพัาคนชราเ้าก็มีนโยบายใหม่ผู้อนวยการที่เก่งมากเป็นคนรุ่นใหม่แกมีแนวคิดว่าควรจะเอาสัตว์เข้ามาในบ้านพากคนชราซึ่งเป็นเรื่องแปลกส่วนใหญ่เขาจะไม่อนุญาตให้เอาสัตว์เข้ามาเลี้ยงเพราะอะไรเพราะกลัวสะกะปรกสัตว์มันมีเชื้อโรคนะขี้ของมันไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยมันก็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 นะเข้ามาในห้องแกก็คุยกับเจ้าหน้าที่วันเนี่ย ไ, ไอ้นกสองตัวนี้มันมันร้องเพราะนะมันร้องทั้งวันเลยมันทีก็บอกเอ้มันไม่กินข้าวใวันนี้มันไม่กินมันไม่กินอาหารนะช่วยดูมันหน่อยนะตอนหลังเนี่ยนะแทนที่จะนอนติดเตียงหรือเก็บตัวอแต่ในห้องนะเริ่มออกไปออกนอกห้องเพราะได้ข่าวว่าข้างนอกเนี่ยมันมีหมาอยู่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 กลับบ้านได้นะกลับมามีชื่อชีวาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเมตานะรวมทั้งความผูกพันกับสัตนะ ว, ว์เดี๋ยวแต่สัตว์เลยนะแม้แต่ต้นไม้เนี่ยนะเอาต้นไม้ให้ให้คนแก่เนี่ยลดน้ำเนี่ยนะมันช่วยได้เยอะนะมีเขามีการทำวิจัยคนชราสองกลุ่มงอมทั้งงอมทั้งสองกลุ่มนะ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 จริงๆเนี่ยเดิมเป็นผู้จัดการบัางเป็นวิศวกร์้าเป็นสถาปานิกบ้างเป็นนายธนาคารบ้างพวกนี้เนี่ยอยู่บ้านาเฉยๆพอกเกษียณแล้วเนี่ยไม่รู้ทำอะไรหลายค น, นยัง่หงอยนะแต่พอมาเป็นจิตอาส า, ามาเป็นมาช่วยงา น, นสถานีแยกขยังชือจี้นี่ก็ชุ่มก็ช่วยเลยมีคนนึ่งบอกนะคนแก่คนนึงบอกผมอ่ะคือขยะคืนชีพ